พระธรรมเทศนาจโาดกเรื่องดังนวนคำผูกตีห้าเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูปริเรียนทำภพประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีงยงไฮอะโมตัสสักวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธา สาพิโคปนาเมฆาวะติราชตาิตาติสาทวาดุราสปุริตาตั้งหลายตั้งนิจใจหนุ่มเทาอันหนังเฝ่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาสาพิโคเมฆาวะติดังนี้เป็นต้นบัตนีแด่เต้อ สาปิขอปานาเมฆวติส่วว่านางเมฆวัดีนอลาอันนกหยับจะป่าไปรีบเร็วไวว่าวาดด้วยอากาศเวหา <c oughs> ยังใส่ยาลับอยู่บอ่ออาจหูอ้นตายย้ยอนวิบากลายปางก่อนมาไหลตอนต้วตันถึงดงตันป่าไม่ จิงความได้สัญญานางเล็งตาสั้นทีบอใจตีเมืองคนหากเป็นบนญฝากฝ้าเล็งพ่อนาปทาวีเป็นดงรีป่าไม้น้อยน้อยใหญ่สูงจนขึ้นเต็มตันจดทีบอหูตีต่างได้เล็งพ่อไปสื่นนาเป็นแต่ป่าดงดอยไก่จอยโอยสุดพอ นางน้อยนอ ก, กว่วตายร้องไห้ไว้บอดจ้านกหยาบกาจังไรกอรตกใจสะดุ้งสติพุ่งเววาาลวดสวะลานางนา จ, จากอากาศไปบนแล้วเรร่รนบินกว่าไปสู่ที่อยู่รังมันส่วนสัหลีสุพันหล่อเบางามบ่อเศร้าเมฆวดี สายลมตีทีบตองตกจากห้องเวหาลวดมาราณากากาดชีวิตขาดกังหนตกกังไคร่สนป่าเศร้าตีไก่เก้าบุพภาคือดอกนาหนาลายสิ่งกันถ้าหญิงเอาใจไก่จากเพียงใจแต่โสด นับหลายยอดกานาต่าเอกามวยมังไัยบ่ออ้างไปหันก็มีหันเลยนะทีนี่จากวันน า, นาจะรอถึงเจ้ายอดสองใจคือตนบุญภายปีเก้าคือว่าเจ้าสุระเมคา กัมตาสวาราภูนองออกจากห้องเวียงใจแห่งยักษ์ตาใสพงเพทในคงเขตหิมบม า, านกลางดงดานป่าไม้ดังกะไวไ้ยปลายหลังอัทฐายังไปแจ้งพระจริงแสงเตสานวาวะเตอุโภ อนุกาเมนาวิจาริตต่าดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดูราพิกคุสงตนทารงสินใสบ่อเศร้าโลสิตเก้าสับ ป, ปัญญส่วนสองบุญจูปี่น้องออกจากห้องปาราแห่งยักษ์ขาภายเพจเขาสู่เขตดงไพร ต้องเที่ยวไปจะใจดันป่าไม้ดงตันขึ้นโดยจันจอมจอขึ้นแล้วพอลงมาบุญป่าข้าป่าควยเลียบหอมหวยริมเหวสัตว์ดงเขียวป่ากวางคือหมูจ้างฟังป้ายเสือสิ่งลหลตัวกา อันสอดล่าดงดอนเขาบ่อเตี้ยวจรนมาไกลละต่างไว้พระนีนกดงรีรำร้องเสียงมีกองฝุ่นวอนสีแดงออนเข่ากำบีพ้อมพัมนาดาจุมผาลาลูกไม้มีบ่อไรเหลือกินล่นเหลือดินลำลน อยู่บนต้นเดือหลายบุบผายา ย, ย, อ ย, ออ ย, ยอย่าทอยพ่องห้อยย้อยเป็นปวงพ้องดอกลวงกี่อากันทะกว่าหอมไก่พ้องข่าวใส่กำแลพองแดงแก่ดูงามแม่พึงจำต้อมไตเข้าสอดใจไก่สอนสองผู้ทรปพี่น้อง ดันเถื่อนทองดงดานบุญสม้านหลายจาตบ่ได้ขาดตวยมาหื้อสองขาดดันสอดพดไปรอดลิงหัน <c oughs> ยังสีสุพรรณหล่อเบางามบ่เศร้ า, าเมฆเขวาวดีอันดับอินทีหมู่หมู่นอนคดคู่มาราณา กำปุ น, นากามากยังบ่าจากเสียตนดอกไผ่สนตีไกลล่นลงใสดูงามส่องใจรำน้อยหนอสัต์ตาพอเลิงหันจริงทากําปีน้องว่าตีนี้เป็นห้องดงดอนไผยมานอนห่มผ้าอยู่กลางป่าเดียวได้หรือพงไผยยักเพลด ถ้าแลงเปรลองจอมามรอกวนถามหื้อหูว่าเป็นเผาผู้เจ้าได้ยินเืิดใจหลาหลากปนากากีน้องหากจากกันและอภายพันเข้าไก่สั้นพอไข่ไปมาหันสาวโซฟาแวนฟ้านอนหม่มผ้าผืนแป้ง คือกรรมปนแดงกะมากชีวิตจากเสียตนหากเป็นคนโลกใต้บอใจยักษ์ใหญ่พวงพายส่องคำใจไข้หูว่านางอยู่เมืองใดจักไปไหนดันสอดจริงมาต่าตอดมาราณาสองบุญนานยศใหญ่จริงเอายาใส่ตกปัน แลออปากกันทาพอส่วนนั่งนอขกิงบางเต้าอื้อค้างปิกฟื้นบ่หูตื่นมือนตาเจ้าใส่ยาแถมเหล่านั่งนอนเน่าชมสีโอคิงดีตาจื่อญอมือยืนไปมาบ่อเจียนจาปากใดเจ้าก็ใส่แถมกำกันยายำมหลอกขาบเข้าสาราบอินที นางบุญมีหนอไทยก่อลูกนังได้สับปัญญอมือพันต่างเก้าไว้ส่งเจ้าสองใจว่าตั้นมาภายโผดค้าอันความนาเป็นผีกุลตันมีมากกว่างบ่ออาจอ่างกาณาตัานเป็นอินตาอยู่ฝ่ากับเป็ดนาเป็นคนหรือยักไรสมยศใหญ่ เอวป่าไม่ดงดอนหรือเป็นติบพญาทอนลาเลิดใจบังเกิดคุณนาได้เอายามาใส่เขาใดขึ้นมา <c oughs> หรือเป็นนากายอดยญาอภาพแผ่นดาวสาก้อนอวดงดอนมารอดเอายาตอดเป็นตานหรือขุดซานฝากฝาก อยู่ในป่าชิมป่าลีเอาอย่าดีมาใส่หื้อคาใดคืนมานี่จาเพ <c oughs> ือนั่นสองบุญนาพี่น้องก็ตอบทองจากใครหื้อสีนองไว้ยดใหญ่ได้หูแจ้งไขตามมี แล้วใครวาตีถามต่อว่าดูรานางนอโซภานาังอยู่ปาราเตต้องคงเขทองเบืองใดจักไปไหนลาสอจริงมาตอดตอนตายคนเดียวได้เปลววา่างกลางป่ากว้างดงตันหรือกุ่มพันอย่าปราย เจ้วต้องภายกลายเป็นเรือผียนยักษ์ใหญ่ก็กลุ่มใดป่ามาหรือมานาวาลุลมเนาป่าไตเต่าดงดอนเรือที่พญาทอนใจกาอุ้มนางผากนานีมานีจานางก็จะบอกเล่าตั้งแต่เก่าถึงปลาย คือสองคำจายน้องปีได้หัวแจ้งขีตามมีแลว้วไขวาตีติดต่อว่าคาสองหนอองคำกคุนต้านนำมากว้างบ่ออาจางจากไขพอจุงไปส่งคาฮือป้อนป่าดงดอนถึงนากรี่เก่าเมืองป่อเจ้าราชาของนานหนาลายแหล่าจักแผ่ถวายปัน เอ็นรางวันอันใหญ่แม่นใครใดอันใดเงินคำใสเสื้อผาตั้งจ้างมางวัวควายค้านิ่งใจใหญ่น้อยนับอ่านร้อยถึงปันข้าจักปันเสียงไข่าตามมักไฟคานิ่งหมายคอสองใจโพดค้าหื้อป้อนป่าดงเขียวได้ไหวเลียวไปรอดถึงตีจอดเพียงใจแดดเตอ เมื่อนั้นสองใจหนุ่มนาวจริงตอบเล่าออกำงามบาดูราะนีขิงรามน้อยอ่อนนางอยู่บนเดนใดบอกว่าไก่หรือไก่ในป่าไม้ดงดอนหรือสากอนย่านกว้างหรือเขตเจ้าจ้างเมืองควางกอจักปา น, างนังหนาตอง ไปรอดทองบอ่อสงสัยเราบอร่อหมยใจขยไข่ใดยังของเคืองใจแตนกุลเต้าวังเอาบุญไปานาฮือปนตำจ้าตกผานแถมสมปานตัวเก่าฮือหมากเต้าทมนากันไขาจาเมียนแล้วสองดอกแก้วคำใจก่อปานาังคิ้งผายเว่นฟ้า ลัดดานป่าดงไพยคำตีใด น, นอนหันแจ้งแล้วดันดงตันใดสามวันป่ายเศษก็มารอดเขตจอมดอย <c oughs> สูงจอยวอยเกึ่งฟ้าถึงเมฆฟ้าปลายบนตั้งสามคนยังจอดอยู่บนยอดดอยพา เล็งสายตาสื่อาตีขอฟ้าไก่สงก็หันคงภาาตดงามบาวาดใส่สีหอเฮือนมีจดที่พอจูตีเต็มตัน <c oughs> สามคนหันสารลังลุกแล้วนั่งลายหนว่าเป็นเบืองคนแต่ใส่เรามาไกลเวียงใจ เป็นเมืองใดก็แล้วคาจักไปแอวเล็งดูสามบุญจู้นอเนารีบไต่เต้าลงมายอดดยผาสูงใหญ่ลัด่าไม่ดองตันด้วยเร็วปั้นรีพาวเพื่อไปสู่ดาวเวียงใจอิดเหลือใจบอดจอดเปื่อยหอไปรอดดังไม้ ถึงตาวันหายตกต่ำลวดมืดคำจนตาจริงไก่กาเตียวไตไปรอดไก่เวียงใจพอตี้ไหนบอแจง้งบอกหู้แห่งหันตางดังตาฟัางมืดบอดก็เอนนย่างสอดพันภายบอ่อนา่นลายก็รอดถึงที่จอดศาลา บิ ม, มา ก, กาตั้งใจอยู่จิมไกเวียงใจจริงเข้าไปยั่งยอนฮืออิตอ่อนไม่หายก็มีหันนละนะ้าตัดสาวีพาตาญยารัตติยากันคืนนั้นรุงแจงพอจู่แห่งหันดีนางบุญมียอดใหญ่ก็ขวาดได้สัญญา ว่าเมืองนี้นาแ่นแล้วเป็นเมืองป่อแก้วบ่อสงสัยลวดมิใจจมจืนปีติตื่น น, นำจริงไข่กำบอกเราเออแก่เจ้าสองใจว่าบุญเราลายบ่ผไ่ไนใดจักสนป่าม้าคงปรราหนี้ใสแม่นเมืองป่อไทยภูมี เป็นเต้าปุรีแห่งข้ายาอยู่จานานไปเราควรไว้ไปสู่ยังที่อยู่หอคำบัตนี้และนะเมื่อนั่นสองเจียงจันบุญนายินสังกาบ่อน้อยจริงก่าท้อยจะถามคบสองสามทวนทีนางกูจีจะไข ว่าเป็นเวียงใจป่อเจ้าแม่นแต่เล่าบ่อสังกานาังโซภานอนเนาก่อป่าเจ้าส่งใจรีบผ่านภายไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจเปื่อจากไปขับไปยังป่อไทยองค์คำคนน่านำน้อยใหญ่อันเตียวไต่ตามต่างหันยงนังนังงนอลาปิ้งไหนนาขึ้นมา กลับมาหน้าว่าใจหนุ่มสีหน้าจุ๋มมีวันก็ทากันซาซาว่าแม่นลูกเต้าจะรื้อพ่องอือ้อตอบทอยว่านางยอดซอยราจธิดานกปาลาตัวกายามไปป่ายามไปป่าดงดอนเตียงเบื่อมอนบวยหมอดจักได้รอดหรือมี ้องว่าเป็นผียักษ์ไ้เตียวต่องพายเอาคนทะแหล่งตนกะเป็ดเป็นนางน้อยเนตโซภา <c oughs> เพื่อจากมาหลวงมางเอาเจ้าจังเราไปส่วนใจแดนไก่นันไซแม่นยักใจพงพาย ถ้าแรงเป็นใจหนุหน่มเนาติดไตเต่าตวยมาจุมพาเจ้าไฟน้อยเตียงใดต่ำก้อยมองขีกวนเราดีรีบซ่อนอยู่ตีบอลแดนไกลพ้องกอไข่ตอบถ้อยว่านั่งยอดซอยเมีข้าวดีนาบุญมีมาไข จิงรอดได้ืนมาส่วนสองขาหนุ่มเนางามบ่อเศร้าเหลือคนแมนเตว่าบุตรตนอยู่ฝ้าป่านาังนอลามาเมืองเ <c oughs> สียงดันเนืองสาเารเสียงตานกาน่านาหน้าฟ้องก็จาบอกหมู่ว่าสามเผาผู้ใจยิ่งรูปเป่าปิงวิลาปันนาดเหนือใจ เจ้าเวียงใจหนุ่มเทามีหมากเต้าลวงลายเงื่อพอสองใจหนุ่มน้อยกับนางยอดซอยมเมฆาวาดียามบุญมียหญ่าบาดหนัวริญญาตเตียวไปเขากลไยหลังโลไปเป็นมัวจอมหลังเสียงอึ้งอังมีกองดังรอดห้องห่อคำแลยนา ราจามหาสตัตตังสุตตวส่วนพาญาฟันธุมติราชอยู่ภาสาดไปบนยินเสียงคนห่อร้องดังมารอดทองห่อใจจิงลูกไปสั้นสองตีหน้าปองเบ่งจรก็หันใสสมอนลูกเต่า ขับหนุ่มนาสองใจพงพันภายเตียวไตมารอดไกห่อใจสังก่าใจบอแล้วว่ามบนลูกแก้วจะรือเสียงอือตือมีกองเข่าห่อร้องสังจ้าใจตวยมาตั้งกู้เป็นเผาผู้เจ้าได้เจ้าห่อใจที่ราดก้อง อ, อัมมาเตรียมตม รีบเรรนไปพ่อฮือแจ้งต่อสายตาส่วนสีโซภาหล่อเบาก่อป้าเจ้าส่องใจรีบพันภายขึ้นสู่ <c oughs> ยังที่อยู่รงกันอภิวันขับไวสึงป่อไทยราชากับนางพระยาเจ้าแม่นำตาแพ่ฟังลงเกาะมีฮัแเละนะ ในกาลนั้นเหล่าเต้าเป็นเจ้าปันทุมติราชากับราชาญาญยอดใหญ่หันลูกหนอไทยใส่ใจกับใจแดนไกตั้งกูขึ้นมาสูโรงกันอภีวันขับไวแล้วนั่งอยู่ไกลป่าตาเจ้าปา ร, ราบ่อจา อุ้ม ล, ลูกลาเสมอใจที่รำไรก้าวถอยน้ำตาย้อยไหลฟังว่าหน้าบุญหลังหลาแหลมมารอดแผ่ตวยตันออ <c oughs> จอมขัน ล, ลูกลาได้ไายนาคืนมานา่มสักูนาดกเทาหยามเอาลูกเตาบินไปตกแดนใดไปแจ้ง บ่หูแห่งทันหนป่อริร้นลายแหล่แม่พัดแพไปมาตุกนำดาทางคอนวะบูรอนขึ้นวันเง <c oughs> ียวจอมควันลุกน้อยได้กาดก้อยเมื่อม้อนในดงดอนป่าไมย้อนนกถอยไรกาลีนาบุญมีจาดก่อน ปลโลูกน้อยอ่อนขึ้นมาพ่อสมมนัตาลายลากึ้นแล้วหากเหมือนฝันจุงไข่ฟันเกาจีเอแจ้งทีตามมีว่าสายสรีลูกลานกปากว่าหายตาสันได้จ้าลูกไทยปิ๊ปอกได้ขึ้นมา ใจสองขานี้เล่าเป็นเชื้อเผาเจ้าใดอยู่แดนไกลหรือไกลเขตเตาไทยได้้าสันได้มา้าพ่อหน้ากับลูกลาจอมขวัญจุงไครปัน่นบอกป่ออันตัง้งหูรอดาฟังเมื่อนั้นนางเมขาวาดีดอไทย ก็ยกมือไหวทุนสาไขขี่ยะบอกเล่าแก่พ่อเจ้าจูภาการกาะมีหันและนะโสราจชันว่าพญาปันทุมติราชฟังโอกาสทุนสาแห่งราชธิดานหยอดซอย ไอ้ต่ำก้อยมองผ่านมีใจบานจมจืนปีติตื่นเดือลายส้ถามสองใจหนุ่มเนาว่าตัวแห่งเจ้าสองขามีวงสาปีน้องอยู่เขตทองเมืองใดเป็นลูกภัยต่างนาลูกเจ้าฟ้าหรือหลานผ่านยาลูกเซนาศยดญ่ ลกูกไยไตเศรษฐีสันได้นีเข้าป่าศ้อสอดลาหาสังหรือใจหวังใครได้ของเคืองใจอันใดจุงจะใครเกาหือเฮาหูตามรายส่องคำใจหนุ่มเนาก็กมเก่าทุนสารว่าคาแดพระผู้บันยตใหญ่ เอ็นเจ้าไพ่ฟาจาค้าสองขาปีน้องอยู่ในห้องปุรีจื่อกุสาวดีใหญ่กว้างตั้งอยู่ห่างแดนไก่พ่อใส่ใจตีไว้เป็นเศษที่ใหญ่เงินนำบิบากกรรมมาอดแม่ได้ตอดตนตายละสองใจผู้ฆ้าเป็นกำผายามแดง ปอหักแป้งลกน้อยกวัวตาก้อยมองเงาจริงไปเอาแม่ใหม่มาอยู่ไกลรุมราเลียงรักษาหอบอุ้มปกห่มตุ้มคัดสียมหัวตีนันไสแม่หน้าใหม่เอาใจคัดสีไข่าอาบนำปอนเข้าพําของวาน นาตาบ้านจื่จ้อยไขย่เก่าทอยวอนหูแสงอินดูผู้ขาบ่อเนินจ้าหึงนานนางผีม่านแม่ไม่ตันหาใหญ่บังงำใจมัวดำหยาบจ้าบุปตีขาสองใจาดาพระไผยวาราย จำเฮือไปตั้งวันบ่ยืนปั่นเขาน้ำของกินพั่ดังอ้อนบ่หฮือนอนรวมห้องคาปี่น้องสองใจตุกใจหลายนักแก่น้ำตาแผ่ตั้งวันจริงป้ากันนีกว่าลงเข้าป่าดงรีฟะยาดีวิเศษในห้องเขตนนองคำ กางดงดำป่าเศร้าใดเป็นเจ้าแกยักษ์คาหลายวัดจาแต่ใสค า, านิงไข่ป้ายหลังจริงและยังยังยกษ์เทาอันเป็นเจ้าปุรี <c oughs> แล้วก็หนีปิกปอกวายนาออกคืนมาดันดงหนาป่าไม่นับอันใดหลายวันจริงมาจวบหันลูกเตา งามอาข้าวสมสีดับอินทีความนาอยู่กลางป่าดงดำจิงเอายายำตกใส่นางจิงพื้นได้ขึ้นมานางได้จากเกาจี้ฮือแจ้งที่โจอันอันจิงป้ากันบ่จ้ารีบดันป่ามาเมืองดังนางบุญเรืองดอไทยได้ขับไว้ไข่ปันนั้นแลยนา โสปิขอราจาสวนพญาปันธุมติราชฟังโอกาสทุนสาล้ำดับมาแต่ตนทิศสืบสนถึงายมีใจภายจมเจื่อนปีติตื่นใจบ้านก่อหื่อสองกุ ม, มานปีน้องอยู่ในห้องห่อคำว่าสองบุญนำนุ่มเน่า ดังลูกเต่าตนเรากุณบ่อเบ า, เบามากวางบ่ออาจอ้างจะใครขออดใจยั่งย่อนอยู่ในบ่นพังกาอย่ารีบลาหลีกลี้ไปสู่ตีแดนไดแม่นมีใจใครใดยังของใจนาน า, นาคือวัฒถาแผ่นพา ตั้งจ้างมากกวคว า, ายเงินคำไหลหมื่นตือเราจักยืนฮือจูอันอันเจ้าหอจันกาวแล้วก็ฮือส่องนอกแก้วกุ ม, มันอยู่สำราญเจืยนเจ้เอยในภาศาสตร์ซอยราจ้มน์เทียนก็มีวันนั้นแหละนา เนติตังขีณาสังวันนาวิเศษจะา้องเหตนาดวนคำผูกทวนหานยังเนินจ้าหึงนานจิงจากปารีโยสันสุดยอดเตายังจอดเป็นข้าวเจ้าดกเหงาบ่โนยอดใจก่อยฟังไฟ พวกนี่ไข่เต่าอีเตานี่กอบังก้มสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ